เยธรรมาเหตุตกปะพวาเตสังเหตุงตถาคโตเตสัญจะโยนิโรโตจะเอวังวาทีมหาสมโนติธรรมเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดพระตาข้าเจ้าทรงแสดงเหตุและความดับแห่งธรรมเหล่านั้น พระมาหาสมณนะมีปกติสั่งสอนอย่างนี้ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงเองประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับปรุณเป็นประชำทุกวันที่นี่ตั้งแต่เวลาตีหถึง6โมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมาหาไพบูุ์อาภิปุนโนเป็นผู้ดำเนินรายการ ในทุกวนาการเป็นช่วงของจิตตะวิเวกเป็นช่วงเวลาที่เรามาฝึกทาสมาธิให้ดูฟังหาที่ที่มันจะเหมาะสมที่ที่คนไม่พลุกพล่านเกินไปเป็นที่ที่เราจะอยู่สงบสง บ, สงบได้อาจจะมีเสียงบ้างเล็กน้อยจากข้างบ้านหรือจากตามสถานที่ต่างๆแต่ไม่ได้มีใครที่จะต้องมาติดต่อสื่อสาร เราจะทําความสงบความวิเวกในจิตใจข้างนอกอาจจะมีความวุ่นวายอาจจะมีเหตุเงื่อนไขปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งปรุงแต่งกันมาแต่ว่าในภายในของเราเดี๋ยวนี้เราจะมาฝึกปฏิบัติกันทุกฝั่ ง, งโดยใกล้ครัวนจากธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบอกสอนไว้กับภิกษุทั้งหในครั้งแรก หนึ่งในภิกษุทั้งหลนั้นได้มาบอกต่อส่งต่อมาส่งต่อมาส่งต่อมาต่อมาจนถึงหูของเราต่อมาจนถึงโสตประสาทได้ยินผ่านทางหูแล้วมันจะเข้าถึงจิตใจไหมธรรมะนั้นเข้าถึงจิตใจของเราชาวก อยในสมัยพุทธการครั้งแรกนั่นก็คือหล่อพิษุทั้งหเข้าถึงต่อมาต้นพระสาริบุตรต่อมาเต้นพระอานนท์ต่อมาจ น, น, น, นถึงสามกที่ได้บวชทันเห็นพระพุทธเจ้าเป็นรูปสุดท้ายคือสุภะทะต่อมาอีกต่อมาอีกจนถึงครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้า จนถึงตัวกับพระเจ้าเองจนถึงหูของดัมโบฟังเนี่ยเขาเข้าสู่จิตใจเข้าสู่จิตใจของบุคคลเหล่านั้นทั้งนั้นทั้งสิ้นเนฮะ้ยมาถึงหูของเราแล้วมันจะเข้าสู่จิตใจของเราไหมมันล็อกเกินตรงเนี้นิดเดียวไอ้ความนิดเดียวตรงนี้เราปรับจิตใ จ, จของเรา ได้หรือไม่อยู่ที่จิตเรามันวิเวกหรือเปล่าถ้าจิตใจไม่วิเวกแต่มุ่นวายมันเข้าไม่ได้เรามาฝึกจิตให้มีความวิเวกกันท่าฟังเริ่มต้นด้วยการมานึกถึงพุทโธนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าที่ท่านใดเทศแสดงธรรมเอาไว้ ว น, นี้เราจะมาใกล้กค ร, กรนพุทธพจน์พุทธพจน์ก็คือธรรมะนั่นแหละธรรมะก็มาจากที่พุทโธตรัสรู้นั่นแหละคิดถึงอันหนึ่งก็เป็นการระลึกถึงอีกอันหนึ่งได้แล้วเพราะการเพียงระลึกถึงนึกถึงมันก็เป็นการปฏิบัติที่ดีที่ชอบหนึ่งก็เป็นพุทโทธธรมโมสังโฆให้ตั้งขึ้นอยู่ในจิตใจของเรา เวลาที่เราได้ยินเสียงเวลาที่เราเห็นภาพเวลาที่เราได้สัมผัสถึงความร้อนความเย็นความหนาวเวลาที่เราได้กลิ่นในตูมฝังการรับรู้ในช่องทางนั้นนั้นมันจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วยังไงเกิดขึ้นแล้วถ้าจีกระเลิดไปตามความคิดนั้นเลิดไปตามเสียงตามภาพนั้นนั่นอะคือไม่มีสติ เราจะบอกว่าฉันก็ตื่นอยู่นะฉันก็รู้ตัวอยู่นะรู้ตัวแต่ไม่มีสติรู้ตัวนั้นหมายถึงแค่วิญญาณรู้อยู่กายก็รู้คุณคิดเรื่องอะไรทาไมคุณจะไม่รู้คุณจะเดินทางไปที่นั่นที่นี่คุณวางแผนทําไมคุณจะไม่รู้เวลาะเราพูดกับคนจะด่าคนจะตีเตียงคนความคิดนั้นหรือว่าคาพูดนั้นมันเกิดขึ้นในจิตใจมันออกมาจากปากนี่ เรารู้สิไม่งั้นราจะพูดได้ไงเราจะคิดได้ไงรู้อยู่รู้อยู่แต่ระลึกรู้มีสติไหมสติกับสมาธิสมูกังเป็นคนละอย่างกันถ้าเราไม่มีสติจะหวังว่าสมาธิมันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้แต่ถ้าสติของเรามีกำลังสมาธินั้นสามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องหวังโดยซ้า ในที่นี้เราจะต้องรู้จักกันแยกแยะบางคนรู้ความคิดอยู่เดินไปอยู่นั่นทนํานี่พูดคนนั้นคนนี้แต่ว่าไปตามความคิดไปตามคาพูดเลอเพลิน อ, อย่างนั้นก็ชื่อว่าไม่มีสติบางคนนั่งทั้งฝั่งตั้งแต่ตื่นมาเนี่ยจัดนั่นทนํานี่คุยกันนั่นคนนี้เตรียมการนั่นนี่ยุ่งไปหมดทั้งวันอยู่บ้านบางทีมก็ยุ่งได้ อยู่แล้วมีความคิดแล้วบางที่ตื่นอยู่แต่ไม่ตื่นหลับอยู่นั่นแ่ะตาใจเนี่ยมันหลับอยู่แนะ ต, ต่ทั้งที่ตัวเนี่ยยังตื่นแล้วบอกว่าตื่นแล้วคือเหมือนกับคนที่เขานอนละเมิอนนะลุกขึ้นเดินอยู่ทํานั่นนี่อยู่แต่ว่าหลับอยู่จิตใจของเราทุกฝั่งอย่าให้มันหลับให้มันตื่น จะตื่นได้ด้วยสติทาใิตได้มีความวิเวกสติจะเกิดได้ต้องมีเงื่อนไขต้องมีปัจจัยเพราะสตินั้นเป็นของปรุงแต่งอาศัยเหตุเกิดขึ้นไม่ใช่อยู่ๆเอออยากให้สติเกิดมันก็เกิดได้คือมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นไปตามความอยากของเราสติเนี่ยนะทุกอย่างนั่นแหละ คือถ้าอาศัยความอยากเป็นเหตุสิ่งนั้นมันก็เกิดได้แต่ทุกอย่างมันไม่ได้อาศัยความอยากอยาก่างเดียวไงแต่เราอยากอะไรแล้วมันก็ได้แล้วถ้าเราเกิดอยากไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นเ็าอยากอีกอย่างหนึ่งโอ้ยโลกนี้มันจะวุ่นวายที่สุดเลยเราเดือสิ่งนั้นก็เกิดเดอสิ่งนี้ก็ดาบตามความอยากของแต่ละคนแต่ถ้าอะไรมันจะอาศัยความอยากแล้วมันจะเกิดมันก็เกิดได้ นนคือความทุกข์นะความทุกข์เกิดได้เพราะอาศัยความอยากเป็นเหตุเกิดแต่อย่างอื่นมันไม่ได้อาศัยความอยากมันก็มีเหตุเงื่อนไขปัจจัยของเขาไปเราจะให้สิ่งนั้นเกิดเราก็ทําเงื่อนไขปัจจัยในสิ่งที่มันจําเป็นนั้นหรือมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับความอยากไงไม่ออยากหรือไม่อยากแล้วแต่อยากแล้วไม่สร้างเงื่อนไขปัจจัยมันจะได้ไหมล่ะอย่งตัวอย่างเช่นเด็กที่เขาจะต้องไปสอบอย่ไง โอ้ยบนบานสารกล่าวนี่กราบแล้วกราบอีกราบอีกรอกราบแล้วว่าขอให้ลูกช้างสอบได้ขอให้ลูกช้างสอบได้แต่ถ้าไม่อ่านหนังสือเล่นเกมรูดโซเชียลมีเดียคือสร้างเหตุเงื่อนไขปัจจัยไม่ถูกต้องสร้างความอยากแต่ความอยากนั้นไม่ได้จะเป็นเหตุให้เกิดการสอบได้ขึ้นมาแต่ต้องสร้างเหตุแห่งการสอบได้ขึ้นมานนคืออ่านหนังสือไปสอบเตรียมตัวนั่นนี่ โดยจะมีความอยากหรือไม่มีความอยากและไม่มีปัญหาเรนไม่ได้เกี่ยวกันแต่ต้องสร้างเงินขาปัจจัยอันนั้นเรายกไวมาตอนนี้ว่าเอ้ยฉันจะทำจิตให้มันวิเวกให้มันสงบเนี่ยจะทำยังไงท่านว่าต้องมีสติเพราะจิตวิเวกสงบเนี่ยเป็นสภาวะของจิตอันหนึ่งนั่นเราเรียกว่าเป็นสมาธิสมาธิจะมีไม่ได้ถ้าไม่มีสติ สมาธิต้องอาศัยสติเป็นเหตุเกิดแล้วสติละอาศัยอะไรเป็นเหตุเกิดอาศัยความเข้าใจบ้างทิฏีเราเนี่ยต้องมีดีมาแล้วลองไล่เรียงดูนะไล่เรียงตามลำดับของทางที่ประกอบไปด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างหนึ่งคืออริยมรรคมีองค์แป จากสัมมาทิฏฐิสมาสังกัปปะสัมมาวาจาสมากัมมันตะสัมมาอาชีวะแล้วก็มาสัมมาวายมะสมาสติและสมาสมาธิคุณจะมามีสติได้ใช่ไหมต้อาศัยความเพียรหนึ่งคือสัมมาวายมะคุณจะมาเพียรให้ถูกคุณจะมาเพียรให้เหมาะสมจนเกิดสติได้ ในความเพียร น, นี่มันไม่ใช่ว่าเหมือนกับเรื่องทำอาหารกินเรื่องไปออกกำลังกายหรือเรื่องทำตามเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งส่วนที่คล้ายกันก็มีส่วนที่ต่างกันก็มีเราจเอาจอจงลงมาที่ว่าฉันจะทำความเพียรอย่างไรตอนนี้เนี่ยความเพียรที่จะให้เกิดขึ้นได้ต้องเป็นสัมมาวายามะถึงจะมีสัมมาสติเกิดขึ้นแล้วทุกอย่างเข้ากันรวมกันระ ง, งับลง ถึงจะเป็นสัมมาสมาธิได้จิตึงจะมีสภาวะที่เป็นอารมณ์เดียวเป็นความวิเวกในจิตในใจย้อนกลับต่อไปทุบฟังเราจะสร้างเหตุนะทำเราได้มีเหตุเป็นแดนเกิดเกิดขึ้นจะทำยังไงดับอยู่ตอนนี้ไม่มีจะทำยังไงเข้าใจเหตุเข้าใจปนไงทุงฟัง เราจะทำความเขียนให้ถูกได้คุณก็ต้องรู้ระบบแห่งการทำความเลียนซะก่อนท่านจึงไล่มาจากความเข้าใจนั่นคือสัมมาทิฏฐิจนไปถึงเรื่องของกายวาจาเอาคุณมีศีลไหมคุณมีความเป็นอยู่ที่ดีไหมเรื่องกายวาจาตอนนี้เราไม่ได้ทำอะไรมากอยู่บ้านเฉยๆบ้างหรือว่าจะนั่งอยู่เฉยๆบ้างอาจจะเดินทางนั้นนี่อยู่ก็จริงแต่ว่า ไม่ได้ทำอะไรที่มันจะต้องไปติดต่อใครฆ่าใครหรือว่าขโมยของใครคือมันไม่ได้มีเหตุที่จะให้ผิดศีก็ อ, อยู่เฉยศีลคือความเป็นปกติในก็กายวาจามันก็เกิดขึ้นในบัด น, นั้นพอมีความเข้าใจที่ถูกต้องมีความพอดีพอได้ในทางกายวาจาความเพียนตรงนี้แหละที่เราหวังสัมมาวาจา ที่เราใส่ตั้งเอาไว้จึงเกิดสมมาสติได้ความเข้าใจอะไรกลับมาตรงความเข้าใจนั่นคือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบความเห็นความรู้ความเข้าใจในอะไรเห็นเงื่อนไขปัจจัยในไงอริยสัจสีเข้าใจถึงเหตุเกิดทุกถึงตัวทุกถึงทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งเหตุเกิดทุก และความดับไม่เหลือแห่งเจ้าเหตุเกิดทุกนั้นทางนี่แหละมันสําคัญเหตุนี่แหละสำคัญปัจจัยนี่แหละสำคัญความเข้าใจในข้อแรกของสัมมาทิฏฐิคือเหตุผลนั่นเองเหตุของการเกิดขึ้นแห่งสติมีถ้าเราไม่ทําสติไม่เกิดแต่ถ้าเราสร้างเราทําเหตุเงื่อนไขปัจจัยนั้นสติ มันจะเกิดเราจะให้สติเกิดโอเคโอเคเข้าใจแล้วยังไงได้ยังไงนะคิดให้มันดีให้มันชอบสัมมาสังกัปปะพูดหรือทำทางกายนั่คือสัมมาวาจาสมากรรมตะต่อไปอการดาเนินชีวิตของเราเป็นสัมมาชีวะเอาตอนนี้เรามีแล้วนะเรามีแล้วก่อนหน้านี้อาจจะไม่มีนันยยไว้ 15นาทียีสินาทีก่อนอาจจะไม่มีตอนนี้มันมีแล้วนั่งอยู่เฉยเนี่ยมันมีแล้วคือเป็นการสมาทานศีลไปนในตัวเลยคุณจะให้สติเกิดก็ได้คุณต้องมีศีลศีลเป็นพื้น่านของทุกสิ่งทุกอย่างในที่นี้ทึงขยายความถึงศีลด้วยสัมมาวาจาด้วยสัมมาอาชีวาด้วย เราเรามีกายมีวาจาที่นิ่งๆชิวๆอยู่เฉยๆมีศีลเป็นเบื้ติอยู่แล้วเป็นพื้นฐานต่อไปความเพียรความเพียรความเพียร น, นั้นคือการที่รู้จักแยกแยกระระหว่างสิ่งที่เป็นอกุศลกับสิ่งที่เป็นกุศลต้องักแยกแยะตรงนี้อาจจะแยกได้ไม่เต็มที่อะแยกไม่ได้อแต่ว่าก็ต้องแยกได้บางอะ แยกได้อาจจะไม่หมดอาจจะไม่เงียบอาจจะไม่เป๊ะแต่ก็ต้องแยกได้บางว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเพราะนั่นก็คือสัมมาทิฏฐิด้วยส่วนหนึ่งความเข้าใจตรงนี้ความปยิยามที่จะแยกแยกออกหนึ่งคือความเพียนให้ตรงจุดที่เราจะแยกแยกออกได้เลยเนี่ยนั่นคือสติสติคือการที่เราจะต้องรู้จักแยกแยะด้วยความเพียน เรามาเริ่มตั้งทุกฝังตั้งเอาไปยกาังไงแยกท่านจึงสอนหมวดธรรมทีรียกว่านุสติอนุสติสติมันจะตามมาได้มีอะไรบ้างนะศีลานุสติธรมานุสติพุทธานุสติสังานุสติจารานุสติเทวานุสติยังมีกหลายอย่างเช่นอาณาปานสติกายคตาสติ โอ้ยั้งสิอย่างนั่นนะครูบาอาจารย์สมัยต่อมาท่านรวบรวมมาไว้เพราะฉะนั้นเราในที่นี้มาปฏิบัติพุทธานุสติในการที่จะให้เกิดสติให้สติตามมาด้วยการระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคือพุทโธคุณในข้อไหนก็ให้คุณทั้งหมดนั่นมารวมอยู่ในข้อพุทโธนี้ก็แล้วกันสัมมาสัมพุทโธ เอาพุโทโธนี้ตั้งขึ้นไว้ในใจของเราโดยให้นึกถึงคำว่าพุโทโธพุธโทโธไว้อยู่ในใจการนึกถึงระลึกถึงอยู่ในใจนั้นวันที่เรา จ, จะไม่รู้ไม่เข้าใจความหมายในตอนแรกคำบางคำดูฟังมีความหมายลึกซึ้งมีหลายในยะในหลายภาษาก็อาจจะมีความหมายที่แตกต่างกันแต่เหมือนเด็กที่เขาฝึกพูดแรกๆเนี่ย เขก็ไม่รู้ไม่เข้าใจความหมายก่อนนั่นแหละแต่เขาฝึกพูดซ้ำไปย้ำไปพ่อแม่มีความเมตตากรุณาสั่งสอนโอ้ ก, ก็พูดได้พูดชัดดีพูดต่อไปได้แล้วบทเรียนชนะดีแล้วความหมายเกตไหมเข้าใจไหมเข้าใจความหมายของคํานี้ถูกต้องหรือไม่มันจะก็ยตามตามมาตามตามตาม า, มามสิ่งเดียวกันเรานึกถึงพุทโธนี่เราก็นึกคํานี้ก่อน อย่างอื่นค่อยๆตามมานึกถูกให้ดีความระลึกได้ น, นั้นคือสติอยู่แล้วสติจะเกิดขึ้นตามกระบวนการของพุท ธ, ธานุสติกระบวนการนี้เป็นยังไงโอ้ยเกิเล่ามาตั้งแต่แรกเนอะนะ่นะนั่นคือกระบวนการนั้นท่างฝังที่ว่าจะมีสมาธิได้ก็ต้องอาศัยสติจะมีสติได้ก็ต้องอาศัยกายว่าจะเป็นฐานที่ตั้งมามันคือกระบวนการของเขา ต่อมาวิธีการในที่นี้เราใช้วิธีพุทธานุสติรือการมาระลึกถึงคุณวอมพระพุทธเจ้าในที่นี้เรายกข้อพุทธโธเรียกว่าอาจจะระลึกถึงข้ออื่นก็ได้อรหังก็ใช่ภาคกว่าก็ได้เป็นครูผู้สอนก็ดีในที่นี้เราให้คุณทุกข้อทุกอย่างเนี่ยมาอยู่ในพุทธโทนี้ เราตั้งกับมาพุทธทนี้ไว้ในใจการนึกถึงระลึกถึงพุทธทไว้ในใจนั่นคือการเจริญพุทธานุสติสติจะตามมาได้ยังไงนะมันแยกแยะ ก, กันตรงไหนอันดับแรกคุฟังความเขียนละเพราะว่าความที่เราพยายามจะประคับประกองพยายามที่จะตั้งจิตไว้ มีความพยายามมีฉันท่ามีความพอใจมีการเอาใจใส่นั่นคือสัมมาวายา ม, มานะทุกผู้ฟังสติอาจจะยังไม่เกิดตอนนี้สมาที่ยังไม่ต้องพูดถึงแต่พยายามที่มันจะให้เกิดขึ้นนะประคับประกองนั่นนะพยายามนึกถึงนั่นนะวิธีการมีแล้วแล้วพยายามที่จะใช้วิธีการนั้นความพยายามประกับประกอบนั้นนั่นนะ่ะให้สติเกิดนะนะั้นน่ะ คือสัมมาวายามะแล้วเห็นไมมันเชื่อมต่อกันมาตามสายเส้นกองอริยมรรคมีองแปดนะสมาธิเนี่ยคือสภาวะที่จิตเราต้องการแล้วก่อนหน้านั้นก็ต้องเป็นสติตแล้วอ่ะก่อนหน้านั้นในตอนนี้ที่เราบำเพ็ญอยู่ก็คือสัมมาวายามะก่อนหน้านั้นไปอีกที่เราทํามาแล้วนั่งคือเรื่องกายวาจาสัมมาอชีวะสมากรรมันตสัมม า, า, ม า, มมาวาจา อันนี้เรามีแล้วความเข้าใจว่าเออเนี่มันเป็นเหตุเป็นผลเป็นการปรุงแต่งสร้างเหตุปัจจัยมีศรัทธาและบรารมีความเพียรความเข้าใจนี้ก็เป็นสมาธินี่ไล่มาตามสายเส้นของอริยมรรคหมิ่งป่8เลยนะเหมือนเด็กเขาขี่จักรยาน่ำฝังคื่อขี่จักรยานเนี่ยมันไม่มีอะเด็กคนไหนที่เขาจะมาเปิดผู้มือก่อนนะ ขีจักรยานนี่มันทำยังไงไม่มีคือดูอย่างมากก็เอานี่เป็นแฮนด์นี่เป็นเบรกนี่เป็นคันโยกนี่เป็นจุดที่จะเหยียบลงไปได้นี่ก็ดูแค่นี้แล้วก็กระโดดขึ้นเลยต่อมาฟังก็โดดขึ้นเลยไอความพยายามตรงนั้นเนี่ยประคับประคองเนี่ยมันยังวิ่งไปไม่ได้มากหรอกมึงที่ก็ล้มด้วยซ้ายัางทรงตัวได้นิดเดียวแต่ความพยายามนั้นน่ะ เื่อนันมันดีแล้วนะต่อไปมันจะค่อยได้เหมือนกันตอนนี้จิตเรายังไม่เป็นสมาธิยังไม่เป็นอารมณ์เดียวยังทรงไม่ได้ยังตั้งไม่ได้จะให้ได้ต้องมีสติก่อนจะมีสติได้ก็ต้องมีความเพียรก่อนความเพียรในอะไรให้มันถูกทางด้วยถ้าคุณเพียรที่จะสอบเพียรที่จะหาเงินมันรียังไม่ใช่สมาวายามะที่จะมาต่อกันกันกบสัมมาสติได้ ในที่นี้เป็นความเพี่ยนในใภายในในใจิตใจของเรานั่งอยู่ฉนเฉยๆเหนื่อยจำฟังด้วยการมาระลึกถึงพุทโธนี่แหละประคับประคองเอาไว้นี่แหละนี่คือทํางานแล้วนะคือความเพี่ยนอย่างหนึ่งประคับประคองจิตของเร า, เาไว้ให้สติมันเกิดถ้าสติที่เป็นกุศลธรรมที่มันยังไม่เกิดปยะยายะไม่มันเกิดขึ้นสติที่มีแล้วอยู่บ้างนิดหน่อย คนเรยังไม่ประสาทไม่บ้าไปเนี่ยมันมีสติทุกคนนะน้อยมากเกิดเกิดดับๆติดๆเป็นเป็นหนหายดูแวบดูแวบเดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวก็มาอันนั้นคือกุศลธรรมที่มีอยู่แต่มันยังไม่ได้พัฒนาให้มันดีความเพียรเราใส่ไว้ตรงเนี่ยประคับประคองนี่แหละสติอยู่ไหนหน้าอยู่ตรงพุทโธไม่ใช่เปล่าไม่ใช่ท่านฟังไม่ใช่ พุโทโธก็คือพุโทโธเวลาที่จิตเราสงบแล้วเดี๋ยวพุโทโธก็หายไปแต่ไม่ใช่ว่าสติมันหายไปซะที่ไหนหรือเวลาที่จิตเราสงบแล้วคนที่ฝึกทำลมหายใจมาเออลมหายใจมันก็หายไปแต่สติมันก็ไม่ได้หายไปด้วยมั่อยู่นั่นแหละสิ่งเหล่านี้พุโทโธบ้างลมหายใจบ้างหรือวิธีการอื่นๆต่างๆความคิดนั่นนี่เนะี่ยเป็นแค่วิธีการเฉยๆ ถ้าสำเร็จผลแล้ววิธีการนั้นมันไม่ได้ใช้อ่ะเครื่องมือเอาใช้ไขควงไปทํำไรก็เอาไปไขนอดแหละไขเข้าหรือไขออกก็แล้วแต่เอาสมมติไขเข้าไขาเข้าเรียบร้อยแล้วแล้วคุณเอาไขควงปักขาไว้ตรงนั้นเนาะโนเราก็เก็บขึ้นสิล้วก็เอาออกไปเหมือนกันว่าเครื่องมือที่ทําให้เกิดสติถ้าสติเกิดแล้วเครื่องมือนั้นรมหมยใจบ้างพุดโธวบ้างไม่ได้จําเป็นนี่คือเราเอา มัคตั้งขึ้นเป็นผลนะก็ต้องมีเหตุทูกเวลาเหตุก็คือตอนต้นของมัคเพื่อที่จะให้ได้ถึงผลตอนปลายของมัคทีนี้อย่างไรก็ตามต้องฟังมัคคือทางที่เราตั้งไว้ขึ้นเป็นผลในตอนนี้มันก็เป็นเหตุนะเป็นเหตุเป็นเหตุของอะไรนะเป็นเหตุของนิพพานไงคุณจะเข้าถึงนิพพานได้ก็ต้อง ตามทางคือมรคไงทีนี้ถ้ามรคเป็นเหตุให้ถึงนิพพานคือผลเอาเพอได้ผลแล้วเห็นมันก็หายไปต่อไปใช่เลยบิงโกเลยเพราะในนิพพานน่ไม่ได้มีมรคด้วยนะพระพุทธเจ้าตรัสถามท่านพระนนท์ตอนที่ชุนทสสามเณร น, นำข่าวการปรรนิพพานของท่านพระส า, าริบุตมาแจ้งให้ทราบเนี่ย ท่านพระนรินรเสียใจมากเลยแบบอึกขึ้นเลยเหมือนอะไรมาแทงที่หน้าอกเลยโอ้ครูบาาจารย์ที่เรานับถือท่านจากเราไปซะแล้วเพราะว่าสองท่านนี้นี่ท่านไปพูดคุยเรื่องธรรมะสอบถามธรรมะกันอยู่เรื่อยเพราะว่าท่านจากเราไปซะแล้วเกิดอึกขึ้นเสียใจขึ้นพระวิทชาตรัสถามท่านระนรนในวาระนั้นเนี่ย เอาแล้วสาวริบุษเนี่ยได้นำเอากองศีล <c oughs> กองสมาธิ <c oughs> กองปัญญาหรือแม้แต่กองวิมุตตรปัดนิพพานไปด้วยหรือเปล่าไม่นะไม่ท่านไม่ได้เอาไปด้วยแต่ผลมันเกิดแล้วเหตุมันก็ดับไปเหมือนกันนะนี่คือลักษณะทางที่มันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงบางอย่างนะท่านงูฟังเหตุไม่ต้องอยู่ตลอดอยู่ตลอด ผลมันถึงจะอยู่ตลอดอยู่ตลอดได้อย่างเช่นอะไรเอ๋อเปิดพัดลมอย่างนี้แหละเปิดไฟอย่างนี้แหละคุณเปิดไฟปุ๊บคุณเปิดพัดลมปุ๊บมันก็มีแสงออกมามันก็มีลมออกมาใช่ปะ่ะเพราะเงื่อนไขรปัจจัยคือไฟฟ้าที่เขาส่งออกมาจากโรงงานผลิตไฟฟ้าหรือเครื่องปันไฟสักที่ใดที่หนึ่งแต่ถ้าเหตุคือไฟฟ้านั้นดับไปไม่ว่าจะเกิดจาก การไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเครื่องปผนไฟฟ้าหรือระบบสายส่งอะไรกัต่างๆก็ตามไฟดับไปปุ๊บเนี่ยแสงสว่างก็ดับไปทนะันทีนะลมเนี่ยก็หยุดทันทีมันต้องมีเหตุเกิดขึ้นอยู่ตลอดใช่ปะในบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่ใช้ผลเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเหตุปัจจัยเงื่อนไขการปรุงแต่งมีสิ่งนั้นก็เกิดเหตุปัจจัยเครื่องปรุงแต่งเงื่อนไขของมันยังอยู่ สิ่งนั้นมันยังอยู่แต่ถ้าเหตุเงืรร่อนไขปัจจัยการปรุงแต่งมันดับไปหายไปสิ่งนั้นมันก็หายไปดับไปบางสิ่งบางอย่างเป็นอย่างนี้บางสิ่งบางอย่างเป็นอย่างนี้จริง ๆ, งๆแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนี้อยู่ดีว่าเงืรร่อนไขปัจจัยคุณดูแบบไหนอะไรยังไงที่ข้าพเจ้าพูดถึงในที่นี้คือวิธีการว่าถ้าวิธีการที่คุณได้มาแล้วคุณได้มาแล้วเนี่ย ด้วยวิธีการที่คุณสร้างเหตุให้ได้ผลอย่างนี้พอเหตุมันเกิดแล้ววิธีการมันก็จบแล้วไงวิธีการนั้นเป็นตัวสร้างเหตุเหตุเกิดแล้วผลก็เกิดไงแต่ถ้ามันมีอะไรที่ทําให้เหตุนั้นมันดับไปผลก็ดับไปเหมือนกันอยู่ดีนะั่ละเราแยากออกให้ดีนะวิธีการหรือเหตุปัจจัยวิธีการก็เป็นหนึ่งในะเหตุปัจจัยนั่นแหละแต่ถ้าเหตุที่มันเหมาะสมเกิดขึ้นแล้ว วิธีการนั้นคุณเสร็จแล้วไงคุณก็มาเดว่าจําเป็นต้องใช้มันด้วยข้อคิดแบบนี้ท่านฟังความระ ง, งับความค่อยๆจางกลายวิราคะนี่นหมายถึงคําเนี้ยมันจึงเกิดขึ้นได้วิราคะเกิดขึ้นได้วิราคะเกิดขึ้นได้ยังไงนะตั้งเสตียไว้ตั้งเสตียไว้นึกถึงพุโทโธไว้ ตั้งพุโทโธไว้ในใจเอาเป็นเครื่องมือก่อนตอนนี้เป็นวิธีการการระลึกได้ในกรรมนี้ความระลึกได้นั้นคือสติพุโทโธก็อย่างหนึ่งเป็นคําพูดเฉยๆรมหมายใจก็อย่างหนึ่งเป็นดังกายเฉยแต่ไอความระลึกได้ที่มานึกถึงพุโทโธนี้ความระลึกได้นั้น คือสติเราลองมาทำความเข้าใจเปรียบเทียบส่วนต่างกันดูเอาที่ถ้าไม่มีสติกันซะก่อนไม่มีสติก็คือความเพลินนั่นเองเพลินไปตามความคิดเพลินไปตามเสียงเลินเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าพอใจอย่างเดียวนะความพอใจก็อย่างหนึ่งความเพลินนี่ก็อย่างหนึ่งบางคนเพลินไปในความโกรธบางคนเพลินไปในความไม่พอใจ เพลินไปตามอารมณ์ร้ายๆเพลินไปตามความคิดชั่ววเพลินไปตามความคิดที่ทำให้ตนเองบอบช้าคิดน้อยเนื้อต่ำใจคิดอาฆาตปยาบาดเพลินไปตามความคิดนั้นเราจะเพลินแล้วหรือไม่เราดูได้ว่ามันมีอารมณ์ของสิ่งนั้นคราบงำที่จิตใจของเราหรือไม่ถ้าอารมณ์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้น ครอบงมที่จิตใจของเราเรารู้ตัวอยู่แล้วนั่นแหละคุณเลินแล้วคุณเพลินทั้งๆที่คุณรู้ตัวนั่นล่ะรู้ตัวยุชันรู้ว่าฉันโกรธอยู่ชันรู้ว่าชั้นด่าเขาอยู่เพีย่าไม่รู้ตัวรู้ยุแต่ว่าเพลินไปในความโกรธนั้นประว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากความคิดนั้นเป็นครอบงามที่จิตใจของเราดูตรงนี้แต่มีอารมณ์ครอบงามแล้วนั่นคือเพลินไปแล้ว นั่เปรยียบเทียบส่วนต่างให้เห็นว่าแม้แต่ที่ว่าเรารู้ความคิดแต่วิธีการรู้ว่าเราคิดนึกนั่นนี่ทําสิ่งนั้นสิ่งนี้อันนั้นอาจจะทําอย่างชนิดที่ไม่มีสติก็ได้แต่ถูกอารมณ์ของสิ่งนั้นครอบงำควบคุมอยู่เปรยียบเทียบส่วนต่างให้เห็นแล้วเอาลองมาดูแยกตรงนี้ออกแยกยังไงนะ คือไม่เพลินไงไม่เพลินนี่คืออะไรนะคือสติไงเพลินไปเนี่ยคือตามอารมณ์ตามความคิดไปเดี๋ยวจนกระทั่งถูกอารมณ์ความคิดนั้นมันครอบงำเราไม่เพลินคือสติก็มานนึกถึงพุทโธไงในทีน่นี้ใช้พุทโธเป็นกุญแจมือจนเบรย์ไวเหมือนกับว่าลิงจนเบรยวไวเหมือนกับว่าจระเข้จนเบรวเหมือนกับว่างู นาสุนัขจิ้งจอกหรือสุนัขบ้านโอ้ยมันก็จะต้องไปตามที่อยู่ของมันแหละงูจีไหนมันจะบินกินฟามันก็ต้องเข้าไปในชอมปลัวเชลลเคจะไหนจะเข้าไปในหมู่บ้านโอ้ยเขากำจะดออกก็ต้องลงน้ำสุนัขจิ้งจอกมันจะไปในสวนจะไปในป่าใหญ่ทำไมถ้ามันไม่มีซากให้กินมันกินซากมันก็ต้องไปป่าช้านี่เป็นธรรมดาของสัตว์เหล่านั้นเหมือนกันว่าจิตใจของเราเนี่ยมันจะมัก ไปตามช่องทางตามความคิดผ่านทางช่องทางใจตามเสียงผ่านทางช่องทางหูไปตามกลิ่นผ่านทางช่องทางจมูกมันไปหมดอ่ะมันไปหมดเราจะไม่ให้เขาไปนั่นคือเพลินไปใช่ไหมเราจะไม่ให้เขาไปจะไม่เพลินใช่ไหมก็เอาเชือกมาผูกเอาไว้แล้วก็ผูกไว้กับเาสา ก็เสาปากไว้ให้ดีให้มัน่นหูกเชือกเอาไว้กับสัตว์หกชนิดเหล่านั้นถ้าเสามั่นคงเชือกนี้มีความแน่นหนาะหูกไว้อย่างดีมันไปไม่ได้นะพยายามวิ่งไปยุแต่มันไปไม่ได้มันก็ติดตันตึกเชือกตึงอยู่นั้นก็ไปต่อไม่ได้จช่นเดียวกันดูฝั่งนั้นเปรียบเทียบไว้ว่าเสาเนี่ยคือสติเราะจะให้เสาคือสติของเราเกิดขึ้นได้ สร้างเงื่อนไขปัจจัยเหตุของเขาในที่นี้เราใช้วิธีพุทธานุสติระลิกถึงพุทโธก่อนตรงที่เราระลึกได้นั้นนะ่ะคือสติเหมือนเป็นเสาเลยพุทโธเนี่ยไม่ใช่เสานะแต่สติเนี่ยคือเสาพุทโธเนี่ยเป็นคเครื่องมือพระพุทธเจ้าเป็นคเครื่องมือเรทาทำพระสงฆ์เป็นคเครื่องมือ เป็นคเครื่องมือให้เรามีมัตมีทางของเราเป็นคเครื่องมือให้เราปฏิบัติให้เราเข้าถึงพุทธโธในจิตใจของเราเมื่อเรามาระลึกถึงพุทธโธท่านฟังความระลึกได้นั่นนะคือสติโดยที่เราก็ยังรับรู้สิ่งต่างๆอยู่ด้วยนะรับรู้เสียงรับรู้ภาพแต่ก็นึกถึงพุทธโธด้วยรับรู้กลิน่นรับรู้รสแต่ก็ไม่ลืมพุทธโธด้วย ความที่เรานึกได้โดยไม่ลืมไม่เพล่อไม่เพลินความไม่ลืมไม่เพล่อไม่เพลินความนึกได้นั้นน่นะคือสติสิ่งที่เราไปรับรู้เป็นเสียงผ่านทางหูการรับรู้นั้นคือวิญญาณวิญญาณแปลว่าการรับรู้หรือการรับรู้ที่เกิดขึ้นผ่านทางจมูกคือกลิน่นกลิ่นมาจอยรับรู้ผ่านทางหูไม่ได้นะมันต้องผ่านทางจมูก การรับรู้นั้นก็คือวิญญาณเหมือนกันนั่นแหละแต่เป็นคนละช่องทางตัวนั่นเองเป็นวิญญาแล้วเกิดขึ้นแล้วแล้วไม่เพลินไปตามวิญญาณนั้นไม่เพลินไปตามเสียงนั้นไม่ว่ามันจะเป็นความคิดนึกอะไรต่างๆเกิดขึ้นตาม ต, ต่อมาเป็นธรรมารมเกิดขึ้นในช่องทางใจรับรู้ยุต่ว่าระลึกถึงพุทโธได้ความระลึกได้นั้นคือสติ สิ่งที่จะไปตามให้เราเพลินเพลอไปคือช่องทางต่างๆเหมือนลิงมันจะไปป่าเหมือนจอระเขียจะลงน้ำมันแหละแต่ถ้ามีเชือกผูกไว้มัดติดไปกับเสานั่นหมายถึงสติจะเราตั้งขึ้นโดยใช้พุทธเป็นคเครื่องมือมันดึงไปอยู่ก็จริงอะแต่ว่ามันไปไม่ได้เหมือนกันเรามีการรับรู้เสียงอยู่ก็จริงอะแต่จิตเราไม่เพลินไป เหมือนขนาดเรามีการรับรู้กลิ่นมีการรับรู้ความคิดอยู่ก็จริงอะแต่จิตก็เราไม่เพลินไปรับรู้อยู่นะแต่ไม่เพลินรับรู้อยู่นะมีสติด้วยการมีสตินั้นคือความเลิกได้ในอะไรในที่นี้พุโทโธไงเราตั้งเป็นเครื่องมือพุโทโธนะเป็นเครื่องมือนะให้เกิดสติ เหมือนกับว่าเขาก็ต้องใช้ทักษะการผูกเชือกใช้เชือกอถึงจะผูกสัตว์เหล่านั้นกับเสาได้เสาเชือกเนี่ยคือสติทักษะการผูกการพานํามันมานั่นคือวิธีการเช่นเดียวกันว่าความระลึกได้นั้นคือสติพุโทโธนั้นเป็นวิธีการให้อะไรให้สัตว์ทั้งหชนิดนั้นมันไม่ไปไหลออกไปสู่ที่อยู่ของมัน สตินี่ให้อะไรให้จิตขเราไม่เผลอเปลินไปตามช่องทางต่างๆเหล่านั้นแต่อยู่ไว้กระลึกไดไม่เปลินไปไม่อยากนั้นฝังมันทำได้อยู่มันไม่อยากแยกแยะออกตัวนี้เลยสตินั่นจึงเป็นตัวที่จะเริ่มแยกแยะออกได้แล้วว่าอ๋อผู้ที่เข้าไปรู้ความคิดนี่มันคือวิญญาณคือมโนวิญญาณ ไอ้ชความคิดนึกแรงต่างๆที่เราเพลินไปได้น่ะมันก็จะมารมเวลามันหลอมรวมกันเข้ามาเรียกงวัฏสงสารมันก็มีความคิดนึกเป็นธรรมรมต่อไปอีกต่อไปีแล้วเราก็เพลินต่อไปอีกด้วยความที่มันหลอมรวมกันได้นั่นคือตัณหามันเชื่อมกันอยู่แล้วเราจะแยกแยกออกมันได้เนี่ยคือต้องเริ่มจากสติตรงนี้สติคือการแยกแยกมันออก ด้วยการมานึกถึงพุโทโธพอเรานึกถึงพุโทโธไปทำใบทำไบทำฝังเหมือนที่ความระ ง, งับลงระ ง, งับลงมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าอย่าลืมนะว่าสติก็เป็นเงื่อนไขปัจจัยให้เกิดสมาธิสติถ้ามีน้อยก็เกิดสมาธิน้อ ย, อยสติถ้ามีปานกลางมันก็เกิดสมาธิกลางๆสติถ้ามีมากมันก็เกิดสมาธิมาก แต่เราเพิ่มสติอยู่เรื่อยเพิ่มสติอยู่เรื่อยโดยการมานึกถึงพุทโธอยู่เรื่อยโดยการมานึกถึงพุทโธอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยสติค่อยๆมีกําลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตามกระบวนการของพุทธานุสติเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วจิตที่จากว่าไปคิดนึกนั่นนี่แซายนั้นนี้โน้นมันก็ไม่ไปมันก็ระงับลงระงับลงร่วมลงเงนก็มาสมาธิก็เริ่มเกิดขึ้น กระบนการตรงนี้เขาเรียกความสงบระงับทาให้บางทีเนี่ยไม่ได้การปรุงแต่งทางจิตในคําว่าพุโทโธมันก็หายไปเองด้วยซ้ํำทาให้บางทีเนี่ยแม้แต่ลมหายใจเอ่อมือดิมก็ระงับลงหายไปแทบจะมองไม่เห็นเลยด้วยซ้ําในที่นี้หมายถึงว่าวิธีการนั้นนะ่ะสำเร็จแล้วไงวิธีการพุโทโธบ้างวิธีการอนาบานาสติบ้างหรือวิธีการอย่างใดใดบ้างที่ถ้าคุณทำให้มันเกิดสติแล้ว บางทีสิ่งเหล่านั้นมันระ ง, งับไปมันหายไปเหลือแต่สติล้วนๆเรารักษาสตินี้เอาไว้ให้ดีรักษาให้ดีแล้วไม่ลืมไม่หลงสติไม่ใช่การรับรู้สติคือการรบลึกได้การรับรู้คือวิญ ญ, ญาณเป็นคนละอย่างกันถ้าไม่มีสติมันก็จะเผลอเพลินไปตามความคิดนึกได้ แต่มีสติแล้วไม่ใช่ความคิดนึกนะั้นมันจะหายไปดับไปมันยังอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละเราเห็นเงื่อนไขปัจจัยของมันยังอยู่แต่แค่เพียงเราไม่เพลินไปตนั้นเองเพียงเราไม่ได้ทลาให้อารมณ์ของความคิดนั้นมันมาค ร, รอบงำจิตใจของเราถ้าเห็นเงื่อนไขปัจจัยของความคิดนั้นของเสียงนั้นของกลิ่นมันยังอยู่ภาษานั้นมันก็ยังมีนั่นแหละไม่ใช่ว่าจะหายไปดับไป เป็นเงียบเงียไปเลยเมือนอาจจะไม่เป็นในตอนแรกแต่ถ้าเรามีสตินั้นคือเราไม่เปลิน ไ, ไปไม่ตามความคิดเหล่านั้นให้อารมณ์ของความคิดเหล่านั้นมาครอบงำที่จิตใจไม่เป็นไม่เป็นด้วยสติด้วยสติสติที่เราตั้งไว้แล้วทุกฝัง่งจิตระงับลงรวมลงมันก็จะเริ่มเป็นอารมณ์อันเดียวเป็นสมาธิเพราะที่เราเป็นสมาธิแล้วทุกฝัง่ง เร า, าเเรบังคับให้เกรงพิจารณาดูเกรงพิจารณาด้วยจิตที่เป็นสมาธินี่แหละคือให้คิดเลยนะไม่ใช่ว่าเออความคิดนึกนั้นนี้เราไม่ตามไปโอเคใช่ยุมันมีเหตุเกิดเมื่อเกิดเหตุเกิดมันดับไปมันก็หายไปนั่นแหละบางอย่างหายไปบางอย่างเกิดขึ้นอันนี้ธรรมดาเราด้วยสติเนี่ยเราจะไม่เปลี่ยนไปตามความคิดนั้นอยู่แล้วต่อให้มันมาต่อให้มันไม่มาตอนนี้เราทําให้มันมาสิดูสิ ทำความคิดให้มันมาทำความคิดให้มันเกิดตอนนี้เราฝึกคิดบ้างจริงๆเราฝึกคิดมาตั้งแต่เรียนหนังสือแล้วคุณครูก็พยายามสอนให้คิดเลขบ้างคิดนั่นคิดนี่บ้างพูดบ้างพุณเนี่ยมันต้องใช้ความคิดทั้งหมดเลยเหมือนกันนั่นแหละมางค็บอกจะคิดยังไงก็น้อมจิตไปนั่นแหละถูกฝึกมาตั้งนานแล้วจนบางทีมันเพลินไปตามความคิด คิดนึกมาก่างที่จะเป็นประสาทหรือจะเป็นโรคซึมเศร้าบางทีเราก็ต้องไม่คิดบางทีเราก็ต้องคิดถ้าเราต้องการจะไม่คิดเราก็ต้องไม่คิดให้มันได้ถ้าเราต้องการจะคิดเราก็ต้องคิดให้มันได้สิจิตเราต้องมีกำลังตรงนี้นะคือสมาธิไงเตงมไปไว้นะแต่ฟังเหมือนกับสัตว์เลี้ยงนี่ถ้ามันไม่เชื่อง เชเอาสัตว์ป่ามาเลี้ยงโอ้ยมันจะไปไหวเหรอสิงโตเงี้ยมันจะไปฟังเราที่ไหนเนี่ยตัวมันก็ใหญ่กว่าเราด้วยซ้ําใจมันเฉยให้มันนิ่งให้มันกินเรียกมันมันก็ใหม่มาด้วยซ้ำมึงดีสัตว์ป่ามันไม่เชื่อฟังกูจึงเอาสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็นสุนัขเป็นแมวเอออะมาเลี้ยงดูเป็นยังไงเป็นยังไงให้อาหารมันมันไม่ทําร้ายเราอย่างนี้มันดีกว่าสั่งได้ ตอนไหนจะให้มาตอนนี้นจะชวนไปเล่นเหมือนกันนะทุงฝั่งถ้าจิตเรามันสั่งไม่ได้เนี่ยมันไม่ดีบางทีต้องการหยุดคิดก็ต้องหยุดคิดได้บางทีต้องสั่งให้มันคิดก็ต้องไปคิดได้เหมือนกันสมาธิต้องมีสติต้องทั้งเอาไว้ด้วยสติที่ทั้งเอาไว้ความคิดที่เราคิดเนี่ยเราจะไม่เผลอเปลินไปแต่ความคิดเกิดได้ไงด้วยเหตุยังแปรประจัย ด้วยการ น, น้อมจิตไปด้วยภาษาแบบใดที่เราสร้างขึ้นมาเราสร้างธรรมารมขึ้นมาจากสัญญาจากสังขารสัญญามาจากไหนก็ที่ฝังนี่แหละฟังผ่านทางไหนทางหูนี่ไงเกิดเป็นการรับรู้เป็นภาษาแล้วมีภาษาแล้วก็มีสัญญาสัญญานี่ยก็เป็นธรรมารมณ์รับรู้ได้กันโดยมโนวิญญาณรวมกันเป็นภาษาก็ปรุงแต่งต่อไป ตรงนี้เรากำลังทำตรงนี้ปรุงแต่งต่อไปปรุงแต่งดูอะไรปรุงแต่งด้วยสติไงสติคือการปรุงแต่งแน่นอนจริงๆทุกอย่างในโลกมันก็เป็นการปรุงแต่งหมดนะ่ะจะกินข้าวคุณก็เอาเอาวัตถุดิบมาปรุงแต่งให้เกิดหน้าตาออกมาอย่างงี้รสชาติอย่างงี้สีสันอย่างงี้ดูน่ากินหรือก่อสร้างเอาคุณเอาวัตถุดิบนั่นนี่นู่นมา วัสดุมาประกอบกันขึ้นเป็นอาคารบ้านเรือนก็ปรุงแต่งทุกอย่างในโลกท่นฟังเป็นการปรุงแต่งหมดแยกออกเป็นสองส่วนปรุงแต่งอย่างหนึ่งแล้วมันจะไม่เกิดตัณหาไหมทำไม่เกิดกิเลสไหมปรุงแต่งแบบนั้นเนี่ยไม่ดีแต่ถ้าการปรุงแต่งแบบไหนกิเลสมันลดปัญหามันจบปลด แอบเครื่องร้อยรัดออกได้การปรุงแต่งนั้นมันดีเหมือนม่กลับมาในเรื่องของจิตใจนะคุณจะทํางานก่อสร้างอาจจะทำอาหารแล้วในจิตใจของเราเนี่ยขนาดนั้นนะก็สามารถมีสติได้ในการปรุงแต่งในจิตใจของเราเหมือนก็ไม่ได้เกิดอิเลตนาวิชาไม่ได้เกิดความเพลินแต่ถบว่าอาชีพเดียวกันน่นะ อีกคนหนึ่งเอา้าก่อสร้างบ้างสมอาหารบ้างหรือว่าในใจนีู่เพลินไปตามสิ่งที่ตัวเองปรุงแต่งหรือเพลินไปตามความคิดรเรื่องอื่นอันนั้นการปรุงแต่งในจิตใจของเรานั่นน่ะมันเป็นการสร้างกิเลสตัณหาวิชาให้เกิดขึ้นมันไม่ดีในที่นี้เราปรุงแต่งสิ่งดีๆไงดูตรงไหนนะตรงที่มันไม่มีอกุศลธรรมเกิดขึ้นไง มีสติอยู่ไม่เปลินตั้งสติเอาไว้แล้วแล้วคิดดูคิดดูคิดเรืครคร่องอะไรก็ไ้กลอนดูตำฝังในคาถาเยธ ม, มาเหตุตุกปะปะวาเตสังเหตุ ต, ตุงตถาคตเป็นคำที่ท่านพระอัสสชิได้กล่าวบอกเอาไว้กับท่านพระสาวริบุตในวาระแรกที่พบเจอกัน เห็นพระสาริบุตอนนั้นยังไม่ได้บวชเห็นพระอาสชิ ต, ตอนนั้นก็บวชใหม่ๆใครๆคุรุนดูมาในข้อ น, นี้คิดพิจารณาดูมาในบทนี้ทำเหล่าใดท่านผู้ฟังทำมาใน ไ, ไม่ถึงธรรมะเป็นพหูพจน์ก็คือทมทั้งหลายทำอันไหนก็ตามอะ่ะทั้งหมดทั้งสิ้นเลยเหล่านั้นเนี่ยมีเหตุเกิดนะ มีถ้าเกิดได้แล้วเนี่ยความดับมันก็มีได้คนเอาส่นาวนใหญ่ทำฝังมักจะเห็นอันดอันหนึ่งอันเดียวเช่นถ้าเห็นมันคงอยู่ก็คงอยู่อย่างเดียวโอ้พอใจมากพอใจหลายพอใจแล้วก็เห็นมันอยู่อย่างเดียวมันือเห็นความดำรงอยู่ของมันในด้านเดียวเห็นคงอยู่แล้วก็เลยคิดว่าเป็นหนักตา ที่คิดว่าเป็นอัตตาแล้วก็เลยจะมาหาความสุขในสิ่งที่เป็นอัตตานั้นเ้วเห็นแต่ว่าคงอยู่ไงเห็นคงอยู่คือไม่อนิจจังก็จึงมาหาความสุขในสิ่งที่เป็นอัตตาตัวตนสิ่งนั้นนี่ก็เห็นอันเดียวเห็นแค่ดำรงอยู่ในที่ที่ท่านพระอาสเชิได้รารบพระพุทธเจ้าบอกไว้กับท่านพระสาวรีบุตถึงว่า อะไรก็ตามที่มันมีเหตุเนี่ยถ้าเหตุเกิดเหมือนก็เกิดถ้าเหตุ ด, ดับมืนก็ดับแยกออกให้เห็นอีก2 ส, ส่วนด้วยไม่ใช่แค่มีมอยู่ดำรงอยู่เท่านั้นทีนี้ใน2 ส, ส่วนที่แยกออกมาคือความเกิดและความดับด้วยเนี่ยคุณฟังคนที่ปฏิบัติธรรมมาบ้างแล้วมีการพิจารณ า, าใคร่ครวญอยู่เราจะทําทยังไม่ถึงที่สุดก็จะเห็นอันใดอันหนึ่งอีกเหมือนกัน คุณจะเริ่มเห็นตอนมันเกิดเห็นตอนมันเกิดขึ้นมาเออสิ PS, ่งต่างๆเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้เห็นความเกิดเห็นความตายความเกิดน <hi> ี่หมายถึงความเกิดเกิดขึ้นความตายนี่หมายถึงความตายเกิดขึ้นเห็นขาเกิดได้หรือเห็นความดับก็ได้ส่วนใดส่วนหนึ่งเห็นเราเห็นตอนที่สิ่งทั้งหลายมันพังไปสลายไปดับไปแตกไปตายไปเออหนั่นเราเห็นตอนดับ แต่ว่าไอการเห็นตรงนี้หวังคือเห็นแยกกันแยกกันเห็นหมายถึงเห็นเกิดขึ้นบ้างเห็นตั้งอยู่บ้างเห็นดับไปบ้างคืแยกกันไปแต่พอเราตั้งสติได้ทำจิตให้สงบแล้วเราจะเข้าใจเลยตรงฝั่งว่าไอภาวะที่มันมีการดํารงอยู่ตั้งอยู่เนี่ยจริงๆมันก็เป็นเหตุเกิดเหตุนั้นก็ต่อมาเรื่อยๆต่อมาเรื่อยๆแตเหตุนันดับผล ก็ต้องดับไปกระแสไฟฟ้าอย่ให้ยทำฝั่งยังได้ชัดเจนเลยเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปต่อเนื่องกันต่อเนื่องกันจึงทำให้เห็นว่ามันเหมือนกับดำรงอยู่ดำรงอยู่ดำรงอยู่ตลอดแต่แท้จริงแล้วมันเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอยู่ตลอดเวลาตลอดเวลาในคํานี้นะทำฟังดีว่าเหตุและความดับคือเหตุตรงกับนิโรโธเหตุและความดับ แห่งทรรมทั้งหลายเหล่านั้นคํานี้หมายความไม่ได้ว่าสอนเหตุของมันนะว่าเช่นถ้าคุณต้องการทำอาหารจารนนี้คุณก็เอาสิ่งนี้สิ่งนี้มาปรุงมาเป็นเงื่อนไขรปรัจจัยอันนี้คือเหตุใช่ปะแต่ท่านไม่ได้สอนเหตุตัวนั้นแต่สอนความเกิดขึ้นและความดับไปแห่งเหตุที่ไม่รู้ละ ว, ว่ามันจะเป็นอะไรมีปกติ ตรสสอนถึงความเกิดและความดับแห่งเหตุของมันแยกเจาะลงไปตรงนี้ตรงความเกิดขึ้นตรงความดับไปเราก็ใจตรงนี้ให้ดีทุกฝังเหตุเป็นแดนเกิดความดับเหตุเป็นแดนเกิดและความดับถ้ามีเหตุเกิดมันเกิดได้ถ้าเหตุดัดบมันดับได้ เข้าใจความเกิดเข้าใจความดับเข้าใจตรงไหนตรงเกิดนี่ตรงเนี้ยท่านจึงใช้คําที่รัดกุมนะในภาษาบาลนะีคําว่าเกิดในภาษาไทยนี่หมายถึงการเกิดแบบเด็กคลอดออกจากคันหรือเปล่าในที่นี้แยกย้ายดีถ้าเด็กคลอดออกจากคันสนใจคําว่าชาติคือชาติ ค, าตคือเกิด แต่ถ้าเหตุเกิดคําว่าเกิดที่สองนั้นใช้ใชือุบัติคืออุบัติมันไปฝังอยู่ในเหตุมันจึงเป็นเหตุตุปปะผวาอุบัติกับเหตุเนี่ยมันปนกันอยู่ในคําเดียวกันเหตุเกิดไงเกิดก็คืออุบัติขึ้นเช่นว่าถ้าความเกิดเกิดเด่หนหมายถึงชาติอุบัติขึ้นแล้วถ้าความตายเกิดเดินหมายถึงมรณะ อุบัติขึ้นแล้วหวังใคร์คนด้วยดีนะความตายเนี่ยมันอุบัติขึ้นคือมรณะเกิดขึ้นแล้วมรณะไม่ใช่ดับไปมรณะไม่ใช่ว่านิโรดแต่นิี้โรดคือความดับไปของอะไรของอะไรก็ได้ที่แตมันมีเหตุมาแล้วมันดับไปไอ้ซิ่งน้ําก็ะหายไปล่ะเช่นแต่คนมันจะไม่เกิดอนะ มัก เ, เงินใจทาไงความเกิดมันหายไปไม่ใช่ตายไงพระพุทตายคือมรณะเวลาตายมรณะเกิดนะคือมรณะอุบัติขึ้นแต่ถ้าจะไม่ให้ความเกิดมันเกิดเนี่ยไม่ให้ชาติมันอุบัติขึ้นคุณก็ต้องนิโรธเหตุของชาติไงถ้าคุณจะไม่ให้ความตายคือมรณะมันอุบัติขึ้นคุณก็ต้องนิโรธคือทำให้มันดับ แห่งเหตุอุบัติของมรณะไงใคร่คุณโดยดีนั่นฟังช้าๆด้วยความคิดนึกที่มีสมาธิตั้งเอาไว้ตั้งจิตเราไว้บนสติรวบมๆจิตเรามาไว้ด้วยสมาธิใคร่คุณ้วยดีตายคือมรณะไม่ใช่นิโรธแต่ถ้ามีความตายคือมรณะนั่นมันคืออุบัติขึ้นมันคืเกิดขึ้น จะดับมรณะคือตายจะดับชาติคือเกิดก็ต้องทำให้เหตุของชาติมันดับคือนิโรธต้องทำให้เหตุของมรณะคือตายมันดับไปหนึ่งคือนิโรธจะทำให้มรณะคือตายดับได้คือนิโรธก็ต้องไปดับที่เหตุคือความเกิดจะดับเหตุของความตายคือมรณะ นึ่งคือตับที่การเกิดหรือชาติจะรับชาติได้อันนี้เราก็ใจแล้วนะว่าไม่ใช่ไปฆ่าตัวตายแต่ต้องไปทําให้เหตุแห่งการเกิดมันนิโรธเหตุแห่งการเกิดนั่นคืออะไรสภาวะคือภพคือความเป็นสภาวะจะไม่ให้มีความเป็นสภาวะได้คุณก็ต้องอย่าไปยึดถือเพราะถ้ายึดถือแล้วมันเป็นสภาวะได้ จะไม่ให้ยึดถือได้ก็อย่าไปเพลินอย่าไปพอใจอย่าไปยินดีอย่าไปกำหนัดในสิ่งนั้นๆพอเราเผ ล, อ เ, ลอเพลินพอใจยินดีกำหนัดในสิ่งใดความยึดถือนวนคลื่คลานเนียนเนียนนุ่มๆไปยึดถือทันทียึดถือแล้วมันก็มีความเป็นสภาวะมันก็จะทําให้เกิดทุกข์มันจะทำให้มีความร่ำไรําบันได้ เราแยกแยะในบทคาถาคำสอนที่ท่านพระอัสสชิกล่าวไวน้นี่เราจะเข้าใจว่าอ๋อมันมีความเกิดมันมีความดับจากที่เห็นสามอย่างทีละอย่างเราจะเริ่มเห็นสองอย่างนี้ชัดเจนมากขึ้นสามอย่างทีละอย่างคือความคงอยู่เอ่อความเกิดขึ้นความดับไปแยกกันเป็นสามอย่างคนะอย่าง ในที่นี้เราฝึกตั้งสติด้วยสมาธิเป็นพื้นฐานเราก็เห็นว่าอมันมีเกิดขึ้นด้วยนะเนี่ยมันมีดับด้วยนะเนี่ยเหตุของมันเนี่เกิดขึ้นมันมีอยู่ดับไปมันหายไปเราก็จะเริ่มเห็นแค่สองที่มันเริ่มเชื่อมโยงกันเริ่มต่อเนื่องกันเห็นเกิดเห็นดับเห็นเกิดเห็นดับเห็นสิ่งต่างๆเป็นอย่างนี้ตลอดต่อไปถึาางวัง ฉันภาษาเรียบุตรเนี่ยใครใ่กลนข้อนี้เนี่ยเข้าใจถึงความหมายของความเกิดขึ้นคืออุบัติของความดับไปคือนิโรธในสิ่งต่างๆทั่วไปหมดเลยนะทั่วไปหมดเรื่องราวในสมัยเด็กเรื่องราวตั้งแต่ออกบวชประพฤติพรหมชันความคิดนึกนั่นนี่จะไปเป็นอย่างนี้อ๋อเพราะสิ่งนี้เกิดอะไรมมันหายไปอ๋อเพราะสิ่งนี้ดับเออตอนเป็นวัยรุ่นดูคอนเสิร์ตฟังเพลง กินหามันก็สนุกดีเพลินดีแต่ว่าพอมาต่อไปเอ๊ะแต่มันไม่ไม่สนุกเหมือนเดิมอ๋อเพราะมันดับไปนั่นเองเหตุมันดับไปมันก็ดับไปสิเห็นมันเกิดขึ้นมันมีมันก็ตังอยู่แล้วล่ะเข้าูใจไปหมดเลยนะในสิ่งต่างๆเข้าใจไปหมดเลยต่อไปทุกฝั่งว่าตอนนี้เราเข้าใจสิ่งต่างๆแล้วว่ามันเป็นเงี้ยมันอาศัยเงินค่าปัจจัยถ้าเงินค่าประจัยมีอยู่มันเป็นเหตุอุบัติมันก็มี ต่อไปอีเราน้อมเข้าสู่ในจิตของเราของคุณเองก็นอนะพอแล้วนะเอาน้อมเข้าสู่ในจิตของเราน้อมเข้าสู่ในจิตของเราจิตของเราเอาตรงนี้แหละที่มันตั้งเป็นสมาธิอยู่เนี่ยเหมือนเที่ยงไหมเหมือนเที่ยงไหมมันมีเหตุเงื่อนไขปัจจัยไหมโอ้ยไหนนอนอะไรก็ตามที่เรารับรู้ได้ผ่านทางตาทางหูมีเงื่อนไขมีปัจจัยมีเหตุมา แน่นอนมีมาแน่นอนแต่วันดำรงอยู่เนี่ยหมายความว่าเห็นเงื่อนไขปัจจัยกองมันยังดำรงอยู่ไหมที่จิตคุณมีสติมีสมาธิได้ก็เพราะคุณทำความเพียนมากอันนี้ธรรมดาเลยอันนี้เป็นเงื่อนไขปัจจัย ป, ร, ป ร, รุงมาตั้งแต่แรกทีนี้พอเกิดแล้วมันดับไหมดับซิถ้าบอกว่าเงื่อนไขปัจจัยไปไหนไปละไปจิตละ่ะจิตจิตมีอะไรเป็นเงื่อนไขปัจจัย ไม่รู้หะสมมติมันมีมาแล้วมีมาแล้วเนี่ยนะอาศัยอยู่ตั้งอยู่ดำรงอยู่นี่ะสิ่งใดก็ตามทั้งมดฝังใคร้โครนดูมาในจิตใจของเรานะไม่เที่ยงใช่ปะ่ะดับได้เกิดได้สิ่งที่ไม่เที่ยงดับได้เกิดได้มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรอพระบริชาถาม ควรแล้วหรอที่เราจะควรเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราควรไหมควรไหมเมื่อเราจะตอบตามตำรามันก็ไม่ควรน่ะท่านไม่ควรเราไม่ควรจะยึดถือสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราสิ่งนั้นเป็นของเราไม่ควรไม่ควรที่จะยึดถือจิตเนี่ย เป็นตัวตนของเราเพราะอะไรนะเพราะมันไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาให้ไม่เที่ยงยังไงนะก่อนต่ก่อนมันมีความเศร้าหมองเพราะสิ่งต่างๆความคิดนึกนั่นนี่มันเป็นอาการดุกกจจารมาเอาตอนนี้มันโปร่งใสก็เพราะว่าเราตั้งสติเป็นสมาธิเอาไว้นีแล้วมันไม่เที่ยงไงคงอยู่ตั้งอยู่ดำรงอยู่ แล้วกลับมีภาวะอย่างอื่นปรากฏนี่มันเป็นสิ่งที่ไม่เที่งอยู่แล้วคือจิตเนี่ยมันมีความเป็นประพัสอนอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะเพียงแต่มันจะผ่องใสรหรือเศร้าหมองนเท่านั้นเองเอ้าจิตที่มีความเป็นประพัสอนอยู่ตลอดเวลาตั้งอยู่เนี่ยโอ้ทําไมมีสภาวะอย่างอื่นคือความเศร้าหมองบ้างความผ่องใสบ้างปรากฏขึ้นละ่ะก่นห้าแล้วมันไม่เที่ยงไงสิ่งที่เมื่อตั้งอยู่ดำรงอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏนั่นคือมันไม่เทียง บางที่เราอาจจะไม่เห็นการเกิดของมันนะบอนที่เราจะไม่เห็นความดับของมันนะเพราะว่าสิ่งที่มีความเกิดปรากฏสิ่งที่มีความดับปรากฏตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏมันคือเหมือนกันนั่นแหละคืออันเดียวกันคือมีคุณสมบัติของความไม่เที่ยงคุณสมบัติของความที่มันจะคนอยู่ได้ยากสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกทนอยู่ได้ยากแปรปรวนเป็นธรรมดาแต่ไม่ได้เราเห็นว่ามันยังมีอยู่นั่นแหละ เราไม่ควรที่จะยึดถือสิ่งนั้นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราไม่ควรถ้ไม่ควรเราทานทำยังไงละความยึดถือในสิ่งนั้นเสียจะละความยึดถือนี้ทำยังไงอย่าเพลินไปในมันอย่า ก, กำนัดยินดีไปในมันจะละความยึดถือได้จะไม่เพลินได้ก็ต้องตั้งสติเอาไว้ เราตั้งสติไว้ข้อนี้ทุกวังเห็นตามความเป็นจริงตั้งสติไว้เห็นตามความเป็นจริงนั่นแหละทุกวังจะทำให้เราเกิดการปล่อยวางได้ละความยึดถือ ใ, ในจิตใจของเราออกไปได้นั่นเองและที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือช่วงของจิตตาวิเวกซึ่งจะมาพบกับทุกวันเป็นประจำในทุกวันอัคารตั้งแต่เวลาตีห้ถึง6โมงเช้า ทั้งสถานีวิทยุกระชายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ะประชาตพระมหาไพบุญอาภีปุณโญพบกันในวันพรุ่งนี้เิ่นพอน